พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยกันต้องเมตตาต่อกันวันนี้เป็นวันที่6 พฤษภาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนหวันพระหน้านี้เป็นวันเดือนหกแผ่นเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันประสูติตัจรู้ปรินิพานคือวันเดียวกัน พันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณาจารยโยมพระเนนทุกองค์เตียงพร้อมถือว่าเป็นวันสำคัญพวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ควรจะทำความภาคเพียนควรจะทำความเพียนเผากิเลสในใจของเราให้เข้มข้นขึ้น ไม่ใช่ว่าวันไหนวันเก่า uh huh. ควรจะตื่นตัวตื่นใจให้ใจตื่น uh huh. มุ่ง ม, มั่นตั้งใจให้แน่วแน่ในการประพฤติปฏิบัติ uh huh. ไม่ใช่กวันไหนกัวันเก่าอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ พระว่าช่วงนี้ของเราก็อย่างว่าก็ไม่มีอะไรในวัดของเราผู้ที่ทำอะไรก็ทำไปธรรมดาวัดวัดใหญ่วัดมีพระมากขนาดนี้เราจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้ก็ต้องมีบ้างองที่ทำก็ทำองนี้ที่อันไหนเหมาะสมที่ควรจะทำอะไร ก็ช่วยๆกันทำแต่องค์ที่ไม่มีหน้าที่ต่างใจภาวนาคือต่างกรรมต่างกรรมต่างวาระที่จะต้องทำสิ่งเหล่านี้ผมเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ผมพาดำเนินหมู่พวกเพื่อนพาดำเนินผมไม่ทำเกินเหตุเลยเถิดเลยแดน มองขึ้นเบื้องบนคือปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินอย่างไรผมก็พยายามเดินตามปฏิปทาของท่านพาดาเนินอันที่คนโบราณเขาบอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดลักษณะอย่างนั้นผมจะไม่ทำอะไรออกนอกลูก่นอกทางหมู่พเพื่อนเห็นว่ามันตรงไหน ที่มันผิดแปลกแหวกแนวก็ให้บอกบอกได้แต่ผมก็มั่นใจว่าผมนำหมู่ระพุทธปฏิบัติในหลักธรรมวินยัยตักแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พราดํำเนินแล้วก็พร้อมกันการอยู่ด้วยกันอย่าไปแบ่งพักแบ่งพวกพักนั้นพวกนี้ อันนั้นไม่น่าจะถูกต้องไม่ถูกต้องเลยพูดง่ายๆแต่ว่าการาวิสาสะกับองค์ไรองค์หนึ่งอันนั้นมันลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ธรรมด า, าพวกพวกเราเราก็ต้องรู้จักความไว้วางใจเป็นมิตรสหายอันนั้นธรรมดาเมื่อเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นแล้วอวงค์ไหนที่เป็นกัญญาณมิตรของเราเป็นเพื่อนที่ ไว้ใจกันตักเตือนกันได้สนทนากันเสวนากันอันนั้นเราก็ถือว่าเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นคู่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ปรึกษากันอันนั้นมันหลีกลี้มันหลีกไม่พ้นแต่ถึงยังไงถึงจะเป็นหมู่เป็นคู่ขนาดไหนก็ตามแต่ส่วนรวมส่วนกลางนั้นเราจะไปถือพักถือพวก แปลว่าพักพวกของเราคือเป็นภิกษุกัลยาณมิตรด้วยกันผมนัะไม่ชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ผมอยู่บ้านตาดก็ดีอยู่ที่ภูเจ้าะก้อก็ดีอยู่บ้านตาดก็ดีผมไม่เคยมีพักนั้นพวกนี้ผมเป็นพระสาธารณะกับหมู่กับเพื่อนมีอะไรพูดกันได้ปรึกษากันได้เอ แต่พอมาเห็นช่วงหลังๆนะ่ผมเห็นนะเออมันพระรุ่นนี้พระรุ่นใหม่เนี่ยทำไม่ออคล้ายๆก็บอกทาไม่ใช่พวกของตัวเองนะเนาะชักจะไม่ฟังใครเลยเออมันทำไมมันแปลงพักแบ่งพวกโดยคล้ายๆว่าเป็นมันดูดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพระแต่เรื่องของพระแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ถ้ามันผิดธรรมวินยัยตรงไหนเออนั้นว่ากันถ้ามันผิดธรรมวินยัยเข้ากันไม่ได้ไม่นับถือไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่นับเนื่องเป็นกัลยาณมิตรเพราะทำตัวให้ดังเกียรติออกนอกลูกนอกทางไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอันนั้นเป็นว่าพระอรัชีอรัชิตาผู้ไม่มีความละอายต่อบาปอันนั้นคบไม่ได้ ถึงจะระดับไหมก็คบไม่ได้ไไเพราะอเพราะอันนั้นมันเหมือนกับน้ำส ก, กปรกแต่ถ้าว่าท่านไม่มีอะไรที่เป็นมลทินเพียงทวทิฐิคือความเห็นไม่ตรงกันอันนั้นเราต้องยกให้เพราะว่าความเห็นเนี่ยมันมีมากหลากหลายแต่ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเออลราก็คบไม่ได้อีก ทำไมจวมามิจฉาทิฏฐิอันนี้เราก็ต้องศึกษาดูทำความเข้าใจกันดูบอกกล่าวกันดูแต่ว่าเป็นออกนอกลูกนอกทางจริงจริงอ น, นันก็กมันอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันมีเมตตาต่อกันรักเมตตาต่อกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะ เราอยู่นักสถานที่ใดอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันรักกันเมตตากันถึงจะเป็นคณะศรัทธาญาติโยมก็เถอะนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อให้มีน้ําใจต่อกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอันไหนผิดอันไหนถูกใหญ่ด้วยกันทุกคนแล้วควรจะมีความคิดร่วม ก, กัน ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานอันนี้ด้วยการอยู่ด้วยกันเมื่อการอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขเป็นกัญยาณมิตรที่ดีต่อกันบุคลากรสัปปายะบุคคลเป็นที่สบายในเมื่อบุคคลเป็นที่สบายแล้วก็อย่างอื่นมันก็เข้ากันได้ปรึกษาปารนนบันไดช่วยกันได้จากนั้นก็หา ภาวนากับจิตใจของเราก็ไม่ออกนอกลูก่นอกทางไม่ตะกิตตะขวางไม่ตะกิตตะขวางกันเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมีความคิดเห็นแนวแถวเดียวกันเรื่องการัญยาณมิตรตามีเป็นการัญนามิตรมีความคิดเพื่อมุ่งหวังหาทาง พ, นพ้นทุกข์ จะไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกอันนีค้คือความมุ่งหวังมุ่งมั่นของพวกเราแต่พวกเรามุ่งมุ่งหวังทางโลกอยากจะได้หน้าอยากจะได้ตาอยากจะได้ลาบได้ยศได้ชนะเสริญจากกลุ่มผู้คนอยู่อันนั้นแปลว่าเราหวังโลกเมื่อหวังโลกกับธรรมเนี่ยมันจะขวางกันทันทีแล้วถ้าเราหวังธรรมนะต้องปะการไปทาใหม่ ต้องการอะไรอีกมีอะไรไหมเราจะอยู่โชวฟ้าดินสลายตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับจุดน้ำค้างใบบัวเท่านั้นเองมันเกลี้ยงตกลงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทําไมเราจึงมามุ่งหวังเจตนาอยากจะอยู่ในโลกวัฏสงสารอย่างนั้นเหรอเฮ้ใจแต่พวกเรานําทําคําสอนหลักธรรม มาประพฤติปฏิบัติมรณงเมภวิสติคํานี้อยู่ในจิตในใจของพวกเราอยู่ในความรู้สึกของพวกเราอยู่มันไม่หลงนะมันไม่หลงโลกมันจะรู้เท่ารู้ทันมันจะรู้จักว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้องแต่ถ้าว่าคนมีแต่ความโลภโกรธหลง คิดว่าตัวเองตายไม่เป็นนั่นแหละในจักรวาลเนี่ยอยากจะมีหน้าอยากจะมีตาอยากจะมีชื่อมีเสียงอยากจะให้เขารู้จักเด่นดังโดดเด่นในชุมชนสังคมมันคิดเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็คือกิเลสใ น, นหลักธรรมครว่ากิเลสเพราะฉะนั้นเรามาลักกิเลสเรามาภาวนามาหาทางพ้นทุกข์พิจารณาดู อันไหนคือความสุขที่แท้จริงของเราเราพิจารณาดูสิทบทวนดูสิความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรได้เงินมากใช่ไหมได้ทรัพย์สมบัติมากใช่ไหมได้หมู่พวกเพื่อนมากใช่ไหมได้วัดวาศาสนาลุกศิษย์ลูกหาดมากมายอย่างนั้นใช่ไหม สิ่งเหล่านั้นเมื่อคิดดูแล้วมีแต่เรื่องปวดหัวทั้งนั้นมีแต่เรื่องเป็นภาระทั้งนั้น เ, เป็นเครื่องผูกพันทั้งนั้นพระพุทธองค์จึงได้เสียสละสละทิ้งทุกอย่างไม่ว่าทับจอมบัติไม่ว่าอันไหนพระเจ้าแผ่นดินบวชในคกลางพุทธกาลมีมากต่อมากอย่างพระมาหากบะดิน เป็นพระเจ้าไปดินออกบวชมีครบทุกอย่างแต่พอท่านออกบวชแล้วท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเดินไปที่ไหนท่านหลุดเป็นคำหลุดออกจากวายจาของท่านท่านเนิกดูจนละ่ะสุกหนอสุกหนอสุกหนอท่านเดินไปที่ไหนสุกหนอสุกหนอสุกหนอพระพุทธชนได้ยินคำพูดของท่านรือท่านเปล่งออกมา แบบที่ว่าท่านนึกดูแล้วเป็นนักบวชสุขหนอสุขจริงหนอพระไปฟ้องพระพุทธเจ้าวนนี้พระมหากบินท่านคงจะนึกค้มขึ้นมาสมัยท่านเป็นคารวะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสนมนารีมีทรัพย์สมบัติมากท่านคงจะมีความสุขในการเป็นอยู่ของของท่าน ท่านจึงลืมเึ้นยังเป่งว่าสุกหนอสุกหนอสุกหนออันนี้คือพระสงฆไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เรียกพระมหากระบินเข้ามามหากรบินามานีา่ได้ยินว่าเธอเป็นอุทานลรว่เดินไปที่ไหนพูดว่าสุกหนอสุกหนอเธอคิดและนึกถึงเมื่อสมัยเป็นฆราวาด เป็นพระเจ้าเป็นดินได้ครองราชแล้วมีพร้อมทุกอย่างแล้วทือระลึกถึงอย่างนั้นแล้วก็เป็นคำพูดออกนี้ออกมาใช่ไหมมาฮากเบิยนบอกไม่ใช่พระเจ้าข่าเมื่อข้าพระองค์ครองราชมีแต่เรื่องทกุกมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหมดไม่รู้เรื่องอะไรต่อมิอะไรแต่บัดนี้ข้าพระองค์ได้เสียสละ ออกบวชตัดหมดทุกอย่างไม่มีเครื่องผูกพันทางด้านจิตใจข้าพระองค์มีความสุขอย่างยิ่งกิเลส ข, ของข้าพระองค์ตัดหมดแล้วโรคโกรธหลงก็ไม่มีอยู่ในใจของข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จึงมองดูแล้วไม่มีอันไหนที่จะสุขยิ่งกว่าการตัดใจออกจากโรคโกรธหลงมาได้นี่แหละข้าพระองค์จึงไปนสถานที่ใดจึง ได้พูดว่าสุขหนอสุกหนอปะปกปตโอง่งบอกว่านี่แหละภิกษุทั้งหลายมหากบินเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วท่านหมดจดจากกิเลสแล้วท่านพวกท่านทั้งหลายไม่ควรจะเพ่งมองไปในทางบาปทางอกุศลทางต่ําเพราะท่านหมดกิเลสแล้วท่านเป็นผู้รุดพ้นจากโลกโกรธหลงมาแล้วเป็นบตรของเราเนี่ยและ อันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทันยกประเด็นขึ้นมาผู้ที่มีความสุขที่แท้จริงนะ่คือพระอาหารหันต์ผู้จบจบก็นอกจากนั้นลงมาแล้วไม่มีจะพูดว่าสุขหนอไม่ได้พอมีอันหนึ่งขึ้นมาก็มีบริวารมากอะบริวาร น, นั่นแหละจะทำให้เส้นเลือดแตกในสมองถ้ามีเงินมาก จะทำเงินนั่นแหละจะทำให้ตัวเองเส้นเลือดแตกในสมองอีกมีแต่เรื่องหนักทั้งนั้นเลยเพราะหตุอะไรเพราะมันเรื่องด้านวัตถุมันมีแต่เรื่องทำให้ทุกข์ทั้งนั้นมีแต่เรื่องปล่อยวางอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระหันตรสาวบกเท่านั้นแหละจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้ท่านยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาดูสิให้ปฏิบัติดูและศึกษาดู พวกเราจะเห็นเงื่อนเห็นหนทางแห่งความผาสุกทางด้านจิตใจของพวกเราดังนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะนี่แหละการภาวนาการดำเนินชีวิตการภาวนาสมถะและวิปัสสนาสมถะคือทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งก็มีความสุขในระดับหนึ่ง ที่หลวงพ่อยกแล้วยกเกียวว่านัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้ก็คือความสงบในระดับหนึ่งระงบสงบระงับจากกิเลสระดับหนึ่งจากนั้นก็เมื่อจิตใจสงบแล้วก็พิจารณานำจิตใจออกมาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายในร่างกายของเรามีอะไรบ้างแล้วก็ดู ร่างกายของคนอื่นมีอะไรบ้างเหมือนกันใช่ไหมเขาเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปกแตกต่างกันมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายมีอวัยวะลำไส้ายปอดหัวใจแข่งขาตีนมือกระดูกแข่งกระดูกขากระดูกแขนเหมือนกันใช่ไหมมีเนื้อหนังด้วยกันใช่ไหม อีกสักวันหนึ่งเมื่ออายุมากเข้ามากะเหี่ยวอับเฉาแล้วก็ตายในที่สุดใช่ไหมเมื่อตายไปแล้วเอาไปเผาไฟทิ้งอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่เผาไฟทิ้งร่างกายของเราไปตกอยู่น่าจะฐานที่ใดอยู่ในป่ารงพงไพ่มีตะหนอนมีตะมแมลงวันตุม่มตอมหึงอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เผาด้วยฝัง สิ่งเหล่านี้ให้พวกเรานึกดูในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงรู้อนในจางทุกขังอนัตตานะจากนั้นก็จิตใจก็ถอนไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพิธาเนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายจิตใจก็จะคลายจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่น มันหลงอะไรร่างกายของเราหลงอะไรทำไมจึงหลงขนาดร่างกายตัวเองยังเอาไปด้วยไม่ได้เจะต้องตายจะต้องเผาไฟทิ้งและสองอย่างอื่นนอกจากกาย่ะพ่อแม่พี่น้องสาพีภรรยาลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์หมู่พกเพื่อนเพื่อนฝูงทั้งหลาย วัดวาศาสานาอะไรก็ตามภายนอกอันนั้นเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยชัวย่วครั้งชัว่วขาวเท่านั้นใช่ไหมใจอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องเผาไฟทิ้งจะต้องเอาไปเข้าหงซวยเอาไปฝังดินปวในสู่กแตกกระจายลงสู่ที่น้ำลมไฟมีแต่กระดูกเกลื่อนไปทุก แห่งถ้าไม่มีใครเผาใครฝังกันอย่างนั้นใช่ไหมใจถ้าใจของเรายอมรับอืมใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือใจรู้แจ้งเห็นจริงใจยอมรับว่าการเป็นอยู่ของร่างกายเป็นอย่านี้จากนั้นใจของเราเกิดมาพบหน้าจะเป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมใจเกิดมาพบหน้าชาดหน้าเาเป็นอย่างนี้อีกไงนี่แหละเพราะนั้นมีหนทางไหม ที่จะไม่มาเกิดจะชำระใจมีไหมมีต้องศึกษา่ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านสอนที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาในวันเดือนเดือนหกเพนที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านตัดรู้อะไรในวันนั้นศึกษาแต่เมื่อเราศึกษาลุเราก็รู้จักแนวทาง ที่พระพุทธเจ้าสอนแนะนำสั่งสอนและจากนั้นพระสาวกได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะนามาปฏิบัติจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบวัวท่านได้นํธรรมคำสอนท่านได้ปฏิบัติมาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวปฏิปทาของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงท่านก็นโพด้วยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วอย่างหลวงตา เ, เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะให้เกิดนั้นเราชำระออกจากใจของเราหมดแล้วใจของเราเนี่ยแหละจะมาเกิดแต่ส่วนร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแตกสู่ติดน้ำลงไฟจะต้องเผาไฟทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ใจเท่านั้นละ่ะที่ชาระได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านะให้ดูใจนะกิเลสมันอยู่ในใจนะตัวนี้แหละตัวพามาเกิดเปลี่ยนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถ้ารู้แจง้งเห็นจริงในใจแล้วก็นั่นนะล่ะบริสุทธิ์หลุดพ้นนะวันนี้หลวงพ่อขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะ่ะตอนนี้ไปให้พวกเรานั่งสมาธินะพอนั่งสมาธิแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พระท่านเปิดเอ็มสาม แผนหนึ่งให้ฟังในข้อความว่าการปฏิบัติธรรมจะถือว่าจำเจไออันนี้ก็อยากจะให้พวกหมู่พระใหม่ทั้งพระใหม่พระเก่าทั้งก็ศรัทธาญาติโยมฟังฟังดูแต่หลวงพ่อเองจะเน้นเรื่องของหลวงพ่อเพร อ, อะไรเพราะของหลวงตานี่ยนะพวกเราฟังได้ทุกคืนแต่ของหลวงพ่อเนี่ยนานๆหลวงพ่อจะเปิดเทปให้ฟังทีนึง เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจฟังนะนั่งภาวนาต่อแล้วก็ได้เวลายังค่อยแยกย้ายกันกลับนะแล้วก็วันวิสาขาบูชานะให้ตั้ง อ, อกตั้งใจให้มุ่งมั่นเนเชชิเป็นไปได้นั่งภาวนาตลอดคืนหรือว่าเดินเปลี่ยนอริยาบทยืนเดินนั่งตลอดคืน วันวิสาขบูชาที่จะถึงเนี่ยให้พวกเราเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะเตรียมตัวไว้นะต่อนี้ไปเอาเปิดได้นะเอ็สาที่นี่นะ